คือถ้าลำดับอย่างที่ที่กล่าวไปเนี่ยนะที่ประเด็นที่เอามาตั้งขึ้นว่ากุศลศีลก็คือคนเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไปมีสำนวนว่าไม่มีความผิดอะไรเลยสำ น, นเหมือนกับ ท, ท, ทั่ว่ไปจะนั่งเล่นสบายสบายสักชั่วโมงสองชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องมาเดือดร้อนไม่ต้องมาปริโภทอะไรเนี่ยอันกุศลศีลที่ที่ใครทำมาดีเนี่ยจะไม่เดือดร้อนอวิปฏิสาร สำนวนตรงกองบอกว่าไม่มีกุกจุจจะไม่ต้องระแวงอะไรเลยสักอย่างนะไม่ต้องระแวงว่าใครจะมาทำอะไรเราเราหรือจะต้องไปยุ่งกับใครอะไรไม่ต้องนะใครไม่ต้องมายุ่งกับเราเราไม่ต้องไปยุ่งกับใครมันเป็นความสบายอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นความไม่มีโทษที่ที่รักษากายกรรมวจีกรรมและอาชีพที่ดีมานี่นะนี่สิ่งเหล่านี้นํามาซึ่งปราโมท นนะถ้าระลึกถึงพฤติกรรมที่ตัวเองทำมาปั๊บมันก็เอ้เราก็ไม่ได้มีความผิดอะไรพัานก็จะปีติอ่อนๆจะเกิดป ม, ดม้หมถึงว่าปีติอ่อนๆอ่ปติอ่อนเนี่ยนะแล้วก็เป็นเหตุของปีติปีติอันนี้ก็คือเป็นปีติที่มีกำลังเนี่ยก็เป็นปีตินั่นแหละปีตินี้นำมาซึ่งปัตสัทธิ ปัสัทธิตัวนี้แบ่งเป็นสองคือกายปะปัสสัทธิพท่นเวลานั่งสบายกายก่อนใชร่างกายนี้ไม่กระวนกระวายปัสสัทธิประกาศถึงความไม่กระวนกระวายทางกายอย่างหนึ่งไม่กระวนกระวายทางจิตอีกอย่างหนึ่งทีนี้ปกติแล้วปัสสัทธิอันนี้นํามาซึ่งความสุขสุ ข, สขก็แบ่งเป็นสองคือสุขก็คือสบายนะเป็นความสบายทางร่างกายและจิตใจเ น, นี่ยนะอันนี้ถือเป็นผลอันนี้สงฆ์ของศีลทั้นศีลเนี่ยจบอยู่เท่านี้ อันนี้สงสูงสุดของศีลได้เท่านี้ทีนี้ศีลเนี่ยเป็นบาศของอะไรศีลก็เป็นบาศว่าของสมาธิเนี่ยนะสมาธินี่ตัวนี้แปลว่าจิตเจตสิกไม่เกลื่อนกลนกระจัดกระจายแต่ระหว่างนี้นะถามว่าจิตเจตสิกยังเกลื่อนกล่นไหมเกลื่อนเพราะยังไปตั้งหลายเรื่องอะ น, นะเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างคิดไปเรื่อยอะแต่ว่ามันสบายแต่ว่าทํำยังไงให้ไหม่ให้จิตกับเจตสิกเนี่ย เกลื่อนกล่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็สมาธิอันนี้จึงต้องมีอารมณ์กรรมฐานเหนะจะอาวนาปาก็ว่าอานาป า, า, า, ปาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปจะเจริญเมตตาก็ให้มันเมตตาต่อไปเน็นไแต่ว่าโดยมากนะพอมาระดับเนี่ยอะไรจะตามมาปกติจะหันไปหลับพอสมควรแก่เวลาแล้วนอนเถอะ ข, ขนะที่ ย ย, ย, ย, ย, ย, ยยัังงสคิดุือไอ้คำว่าวุ่นวายเนี่ยครับฟังให้ดีนะมันไม่ใช่ไม่ต้องเอาคนธรรมดาไปเปรียบเลยนะคือคนนี้เป็นคนสำนวนว่าเป็นความดีผลของความดีของคนนี้ที่เขาเขาเป็นคนดีอว่างั้นเถอะเช่นว่ า, วาคนที่จะนั่งแบบสบายๆอย่างเี้นะถ้าไปด่าใครมาก่อนนะอย่ามาคิดนะว่าจะนั่ง้ได้แบบ BAR น, นี้ขึ้นไม่ได้ อันนี้ถ้าพูดถึงว่าโดยโดยปริมาณถ้าคิดเป็นตัวเลขเอาไว้ก็ว่าเป็นร้อยปอร์เซ็นตนะเจนตั้งแต่เริ่มต้นร้อยร้อยสุดท้ายมันก็ต้องร้อยด้วยใช่ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเรามีอยู่แค่ส0สมมุติ <c oughs> มีอยู่แค่ส0ทุกอย่างก็สิบหมดสิ <c oughs> หมดเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าหากว่าได้ ไปปฏิบัติไปทดลองปฏิบัติแล้วเราจะประสมด้วยตัวของเราใช่เนี่ยไ อ, ไอความสบายอันนี้นะมันจะเป็นความสบายที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นกรรมฐานเนี่ยนะคืออันนี้เราพูดตามที่ที่ ท, ที่ต้นเหตุที่เอามาพูดกันเนี่ยนะไมะ่เนี่ยนะพอมาถึงตรงนี้นะที่าอาจารย์เกศสอนว่าก็คือแถวเนี่ยซึ่งไม่ใช่กรรมฐานแต่เป็นผลของการรักษากุศลศีล เพราะฉะนั้นไอ้ก่อนที่ที่จะมาได้ความสบายอันนี้ควรศึกษาอารมณ์ของส ม, มถะให้ดีเนี่ยน ะ, ะศึกษาอารมณ์ของส ม, มถะให้ดีถ้าจะเจริญสมถะต่อนะแต่ก็มีอีกในหนึ่งว่าสุขอันนี้เป็นปัจจัยของมีสองหน่ำวิปัสสนาด้วยเนี่ยนะที่ศีลเป็นนิเพธภ า, าคยะนะศีลเป็นบาทเพื่อจะเจริญวิปัสสนาก็เอาเรื่อง เอาวิปัสนาภูมิไราตามหลักของวิปัสนาเนี่ยมาพิจารณาต่อเลยเน้นไปที่เพื่อจะรู้เห็นตามเป็นจริงเขาจะมีสองในในหนึ่งก็คือเนี่ยมาเพื่อให้ได้สมาธิก่อนสมาธิแล้วค่อยต่ออันนี้จะมีทั้งสองหนเพราะในชว่วงนี้ขาดสติไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยตอนนี้เพราะถ้าหากว่าถึงเวลาที่ที่วัาสมบกเนี่ย น, นะ ถ้าหาว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็ไปเลยพอถ้าคนมันจะมีสองอย่างถ้าถ้าเป็นคนที่ทั่วๆ่วไปนะพอรักษาเออจอคนดีอย่างนั้นเถอะเอาแบบทั่วๆไปเลยคนดีมากพอมาได้สงบระดับนี้นะมันจะต่อไปหาหลับเพราะมันสบายนี่อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็ไปเรื่องอื่นเลยเรื่องอื่นที่ที่ไม่ได้มาต่อพวกนี้เช่นสมควรแก่เวลาแล้วบ้างได้ธุระแล้วบ้าง อะไรแล้วก็ก็แล้วแต่จะอะไรขึ้นมานะยังไปเรื่องอื่นเหมือนกันเถอะกลับไปหลับแต่ถ้าอันนี้ปั๊บเนี่ยนะก็รู้วัตถุประสงค์ของอันนี้รู้อันนี้สงเลยว่าความสบายอันนี้เพื่อให้จิตเจตสิกไม่เกลื่อนกลนกระจัดกระจายนะเมื่อไม่เกลื่อนกลนกระจัดกระจายจะได้มาพิจารณาอะไรว่ารวมๆเลยนะพิจารณาวันนี้ทุกนี้สมุทัยนี้นิโรดนี้มัจ เน้นพิเศษเลยคือสองตัวเนียเน้นมารอบรู้สองตัวทุกอะไร น, นะว่าตามหลักของเราก็คือขันอันนี้ขันนะนี้อายตนะนี้ธาตุขันก็แบ่งเป็นรูปรูปมาจากไหนประกอบไปด้วยอะไรนะในวัตถุนั้นก็เจาะลึกใครครวนต่อไปแล้วมาจากปัจจัยอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้อันนั้นพิจณาสมุ ท, ทยัยนะนะสิ่งเหล่านี้เที่ยงไหมมีสาระไหมก็อย่างที่พระ อ, องค์ตรัสบอก ที่นัขปริพาชกอกกายเนี่ยเป็นที่ประชุมของมหาพูททั้งสี่มีบิดามารดาเป็นแนนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดเนี่ยนะมีอันต้องแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาเพราะนั้นท่านพึงพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกซ้อนเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเนี่ยเป็นอนัตตาเมื่อท่านพิจารณาเห็นกายในกายอย่างนี้ท่านก็จะตัดความฉันทราคะในกายอย่างนี้ได้ ก็เวทนามีสามนะอาศัยกายอันนี้เป็นที่ตั้งของเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาบุคคลสวยเวทนาทีละอย่างก็เห็นเวทนานะั้นแหละไม่เที่ยงอันตัดใจปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็ก็เน้นที่จะไปพิจารณาวิปัสสนาไปอะไรไปพวกนี้ก็เน้นมามาพิจารณามากๆแต่ถ้าจะเป็นสายเพื่อที่จะมุ่งไปหาฌานก็ นนะก็มีเมตตาเพวกนี้ไม่ไม่มีโทสะในในในสัตว์ทั่วไปแล้วนะตัวที่ได้ความสงบเท่านี้แต่ถ้าไอความสงบอันนี้ท่านหันจะไปเจริญเมตตาปั๊ดเนีไอคนนั้นก็เราก็ไม่ค่อยชอบอะ่ะเพราะฉะนั้นอันนั้นแหละอุบายของการเจริญเมตตาต้องเข้ามา น, นะเจริญให้ตัวเองก่อนแล้วฝึกน้อมไปเจริญให้คนอื่นแล้วก็กระจายเพื่อที่จะแง่เมตาก็ว่าเมตตาไปถ้าจะเป็นอ่าเน้นสมถะนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าสันเสริญทั้งสามเลย อันนี้เป็นสิกขาสามนะทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่กุศลแลสีนวิปติสารปราโมทปีติปัสาที่สุขอันนี้ก็ขอบเขตของศีลสิกขาเป็นอธิศีลสิกขาเนี่ยนะส่วนสมถะอันนี้นะที่เจริญนี้ก็เป็นกลุ่มอธิจิตตสิกขาอันนี้ก็เป็นการเจริญอธิปัญญาสิกขาทํำยังไงสิกขาสามเหล่านี้จะบริบูรณ์จะไม่ใช่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพอแล้วสิกขาเหล่านี้จะรักษาซึ่งกันเช่น พอเจริญศีลดีเป็นฐานให้เกิดสมาธิผู้ที่มีสมาธิดีศีนจะดีผู้ที่เจริญกุศลศีนเพื่อมีสมาธิวิปสมาธิเพื่อพิจารณาวิปัสนาผู้ที่มีวิปัสนามากศีนจะดีอีกก็จะอบรมซึ่งกันและกันนะการประพฤตอันนี้เขาเรียกว่าพรหมจรรย์ในศาสนานี้เป็นเป็นพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพวกนี้ทั้งหมดเป็นทรัพย์พอเจริญถึงที่สุดนะอย่าง อริยมรคคืออะไรมรค ก, ก็คือศีลสมาธิตัญญาที่ประชุมกันนั่นแหละเรียกว่าอาริยมรคเมื่อแทงตลอดอริยศาสตร์นี่อันนั้นก็คือเนี่ยประชุมกันเรียกว่าอาริยมรคซึ่งแทงตลอดอริยศาสตร์เพรา ะ, ะนั้นเขามีชื่อชื่อว่าอธิปไตยโถอธิปไตยอ่ะนะแปลว่าเป็นใหญ่ใช่ไหมใหญ่ตรงนี้เขาเขาเทียบกับทุกขสัตว์ เช่นว่าผู้ที่อยู่กับจมอยู่กับทุกข์สัตว์โดยทั่วๆไปเนี่ยท่านบอกว่าอนาถาเป็นคนยากไร่แต่ผู้ที่มีอริยมรรคพวกเนี่ยพวกนี้จะเป็นคนเป็นใหญ่นะเขาบอกว่าอุปมาเหมือนไรเหมือนตระกูลที่มีโภคะมากเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเหมือนกันเถอะสมมติถ้าจะจุติตรงนั้นท่านก็ไม่ได้เสียใจอะไรเพราะว่ากุศลมาบุดีกุศลมาบริบูรณ์แต่ถ้า ไม่เจริญอันนี้นอะโหอย่าพึ่งเลยนะออกกอดทุกขสัตว์เลยก็อย่าพึ่งนะศพนี่อย่าแกอย่าพึ่งเน่านะอยู่ต่อไปกังวงมากกันนะแต่อันนี้ก็เขาก็ไม่ห่วงพระกุศลเพราะในศาสนานี้ศีลก็เป็นทรัพย์นะ<ม>พวกนี้สมถาวิปัสสนาก็เท่ากับปัญญานั่นเองก็เป็นอริยทรัพย์พวกนี้จะเป็นอริยทรัพย์ภายใ น, น, นผู้ที่เจริญอย่างนี้เนี่ยเป็นคนที่เรียกว่า มันมีความสุขอีกอย่างหนึ่งที่มาชดเชยกิเลสถ้าไม่ได้สุขเหล่านี้นะเช่นอะ่ะถ้าไม่มีศีลดีสิ่งที่ตรงกันข้ามของกัตศีนคือโทสะถ้าสมถะไม่ดีสิ่งที่ตรงกันข้ามคือโลภะถ้าปัญญาไม่ดีสิ่งที่ตรงกันข้ามคือโมหะเพราะฉะนั้นมันต้องถ้ากุศลเหล่านี้ไม่ดีมันต้องไหลกลับไปหาสิ่งเหล่านี้อีกเพราะมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันนะเนี่ ฟันกุศลมูลคืออะโลภะสินคือเนเอขออภัยศินเน้นอะโทสะสมถะเน้นอะโลภะปัญญาเน้นอโมหะถ้ากุศลมูลดีเนี่ยนะอันนี้เป็นมรรคสัตว์ถ้าอากุศลมูลมันดีงอกงามนี่ก็เป็นสมุทัยสัตว์เนี่ยนะก็อย่างนี้แหละศึกษาต่อไปอ้อ า, นะอานะอออวาาก็ไม่ใช่เมตตา อ่อันนั้นอันนั้นไม่ใช่เมตตาอันนั้นเป็นกรุณากรุณานี่มีโทสะเป็นเหตุใกล้มีมีมีมีราคะเป็นเหตุไกลแต่ถ้าเป็นเมตตานะถ้าเป็นเมตตาราคะเป็นใกล้ราคะใกล้โทสะไกลแต่ถ้าเป็นกรุณาเนี่ยโทสะใกล้เพราะอะไรหนึ่งโทสะไกลอนะอย่างจังเกสอนว่าเมตตา แอย่างที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่เมตตาแล้วมันเป็นการุณาแล้วเมตานะเขามีศัตรูก็แบ่งออกเป็นสองคือใกล้กับไกลเมตานี้มีศัตรูใกล้คือราคะมีศัตรูไกลคือโทสะแต่ถ้าเป็นการุณานะมีศัตรูใกล้คือโทสะนะมีศัตรูไก ล, ค, กลคือราคะออพอ เพ อ, อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเออพอเจริญเมตตาเข้าไปแล้วเห็นเขาลําบากเราเสียใจเลยอันนั้นไม่ใช่เมตตาอันนั้นเป็นกรุณาที่ที่เราเห็นแล้วกรุณาปั๊บศัตรูใกล้แทรกเลยโทสะเกิดเพราะฉะนั้นอันนั้นไม่ใช่กรุณาในขณะที่ไม่สบายใจนะเช่นอ้าวนึกถึงเจริญเมตตาให้คุณเจอมุมสมมตินะนึกถึงเออคุณเจอมุมตอนนี้กาลังป่วยไปเสียใจกับคุณเจอมุมเออป่วยนะเงี้ยไปเสียใจไปเลยอันนั้นเป็นโทสะแล้วนะไม่ใช่กรุณางั้น แต่ว่าเห็นความทุกข์ข้องเข้าไปราค่าไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมจึงเรียกว่าศัตรูไกลแต่ศัตรูใกล้ของกรุณาคือโทสะเช่นเจริญเมตตาไปให้เอาวเพื่อนกันนะเจริญไปเจริญมาเสียใจเลยเออเขาป่วยนะทํำยังไงเขาจะหายจะออกโทมนัสนึกเจริญไปเจริญมานั่งร้องไห้คนเดียวนี้ไม่ใช่กรรมฐานแล้วอันนั้นตอนนั้นเจริญโทสะแต่ถ้าเป็นราคานะเจริญไปเจริญมาเนี่ยนะมันจะหาเซลล์เช่นเพศตรงข้ามใช่ไหม เดินไปเจริญมาคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่แล้วนะราคาเอาไปตั้งนานลแล้ว เ, เ, เ, เอาก็ห้ามไงอันนี้แหละตึงตึงเรียกว่าปัญญาไงเอาแบบนางกุณฑลเกษีนะในในคาถาธรรํบทดระบบปัญญาเขาไม่ได้มีไว้ต้มแกงอ่างนั้นเอาไว้พี่เรณาว่าเออโทสะมันมีโทษราคะมันมีโทษเนี่ยนะก็ปารัถึงโทษของราคาโทสะเป็นต้นนั่นเอง ก็ตามสูตรเนี่ยนะราคะย่อมยังจิตให้กำเริบหรือโทสะย่อมยังจิตให้กำเริบภัยที่เกิดขึ้นในภายในอ่ะคนโทมานัดอย่างนี้ไม่รู้สึกหรอกขณะที่โกรธก็ไม่รู้อัดไม่เห็นทำแล้วถ้าโกรธแบบนี้กรุณาจะเจริญไหมอะไรเป็นต้นก็แล้วแต่จะเอามาพิจารณานะก็วิธีแก้อากุศลทั้งหลายก็ปัญญานั่นแหละเป็นตัวชำระอากุศลศีลข้างบนเนี่ยจะไม่มีการข้ามพันจรโดยเด็ดขาด คือปกติแล้วนะบางคนก็ปราโมทมากบางคนก็ปราโมทน้อยนะคือขีดความสามารถอันนี้ไม่มีมิเตอร์วรัดหรอกลักษณะสของปราโมทท่านอาจารย์พอจะจำได้ดคือก็ปีติอย่างอ่อนนะั่นเองปราโมทนะปราโมทคือปีติอย่างอ่อนอ่อนลักษณะอ่าลักษณะก็เออบิ่มแล้วกิ่นก็เหมือนกันก็ก็ปีติเหมือนทุกอย่างแต่ว่า <c oughs> เพียงแต่ว่าปราโมทคือปีติที่อ่อนกําลัง <c oughs> ล, ลดปริมาณของปีตินะเรียกว่าความเป็นความสบายใจนะพูดถึงความสบายใจแล้วเอิบอิ่มใจอะ่ะซึ่ง ป, ปกติพวกปีติกับปราโมทอยู่ในองค์ถ้าเทียบโดยองค์ชานนะแต่ น, นี้ไม่ใช่ชานปกติมันทําลายพยาบาทเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ไม่มีโทสะเท่าไหร่นะก็จะสบายใจเท่านั้ น, น, นนะซึ่งเป็นสบายมาจากกุศลศีลเป็นอนิสงค์ของกุศลศีลแต่ทีนี้ศีลมันก็แบ่งภ า, านาภากิายาอีกใช่ไหม เช่นหานาภาคยะก็มีบางคนรักษาศีลเพื่อความเสื่อมใช่ไหมบางคนก็เออได้ศีลแค่นี้ก็ถิติภาคยะบางพวกก็วิเศษะเพื่อจะเจริญสมถะต่อไปจะเป็นวิเศษะพวกที่อาศาัยศีลเป็นมาตรเจริญวิปัสนาเลยก็เป็นนิเพทะเนี่ยนะก็ของเรากลุ่มไหนเราก็มาสอบได้อยู่แล้วนะพี่ตีนี่ของศีลแต่พติในชา น, นิ่งต่างกันไหมครโอ้ห่างกันมาก ปีติของของศีลเนี่ยนะเป็นปีติที่เกิดจากกุศลศีลแต่ปีติของฌานเนี่ยหมายถึงไปเข้าหลักอย่างปีติในฌานเนี่ยนะถ้าทั่วๆไปต้องเป็นปฏิภาคานิมิตเท่านั้นจึงจะเป็นปีติในฌ า, นะ า, า, านเนี่ยนะเพราะซึ่งห่างกันมากครับห่างกันมากปีติในฌานเนี่ยอย่าลืมว่าอารมณ์กรรมฐานต้องชัดเจนเนี่ยนะอารมณ์กรรมฐานชัดเจนแต่อันนี้ก็คือเป็นความ สบายใจที่ที่เรียกว่าคนชั่วไม่มีโอกาสว่า ง, งั้นเถอะพูดแบบทั่วไปนะคนที่มีกุศลศีลไม่ดีอ่ะไม่มีโอกาสได้อันนี้น เ, นนเอ้ามันก็ดีแล้วก็ดีกว่าโทสะ <c oughs> พอเจริญไปเนี่ยไปเห็นกรุณาเมื่อไหร่ก็เสียใจยอันนั้นไม่ใช่ปีติเพราะฉะนั้นอันนันก็มันดีกว่าอันนี้แต่ถามว่าปีเตีย น, นั้นดีไหมก็ดีเพื่อที่จะได้เป็นบาตจะได้เจริญกุศลอย่างอื่นต่อไป เพราะฉะนั้นสุตะจึงเป็นซับอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมานถ้าเทียบไปแล้วนะถ้าถ้าเราเอาเรื่องไตราสารณคมมาจับนะจะสังเกตชาดหนึ่งอย่างคำว่าธรรมังสรารนังขาชามิเนี่ยสารณเนี่ยนะธรว่าธรรมะธมังสรารนังขาชามิองธรรมได้แก่อะไรมรรคผลนิพพานปริยัต มีการปฏิบัติของเราอยู่ในนั้นไหมเป็นสารณะไม่มีตัวตัวที่เราเจริญนะเอาเป็นสารณะไม่ใช่แต่ก็เป็นธรรมะที่พึ่งเฉพาะตัวแต่ว่าเพราะฉะนั้นเวลากุศลใดๆหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยต้องเนี่ยอันนี้คือปริสาารณะที่เราพอจะพอที่จะมาช่วยเราได้พอที่เราจะยึดถือได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเอาตัวที่ตัวเองปฏิบัติเป็นเป็นมาตรฐาน มันมันจะเกิดปีติเกิดปราโมดเกิดสุขเกิดโสมนัสอะไรจะเกิดก็ช่างคําสอนว่ายังไงเพราะภาระของเราต่อคือที่เดินเดินตามคําสอนเพราะถ้าไม่เดินตามคําสอนนะั้เหมือนกับอะไรเหมือนกับบอกว่าปกติเราเป็นคนกระหายน้ํามากเนี่ยนะกระหายน้ํามากเขาบอกว่ามีบอ่อน้ําบอ่อใหญ่อยู่ตักบ่อหนึ่งบอ่อน้ํานี้ใครดื่มแนละ้วมตะเลยจมหมดนะก็บอกว่าคุณต้องเดินทางนี้นะเดินทางนี้มาเรื่อยๆเขาเดินเข้ามาหน่อยคุณจะเจอหยดน้ําค้าง อ้าวหยดน้ําค้างมันมีแต่คุณอย่าไปสนใจมันมากนะมันก็คือหยดน้ําค้างมันอินไม่อิ่มจริงๆหรอกมันก็ได้ชุ่มๆบ้างนะก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้ามาอีกจะเป็นน้ําบ่อเล็ยๆอะซึ่งกินได้อืมเดียวแล้วมันจะแห้งนะมออีกน้ําก็บ่อใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่อย่าไปติดนะเพราะบ่อเหล่านี้มันก็ยังมีโทษในที่สุดถ้าคุณให้เดินทางมาเรื่อยๆเถอะปรายัดจะเป็นแผนที่ชี้มาเรื่อยๆเนี่ยนะเพราะงี้ก็อย่าไป คำนวนว่าอย่าไปติดอะไรมากนะถ้าติดอยู่แล้วมันต้องกลับไปหิวอีกนะเพราะทุกอย่างมันย้อนกลับไปไปหาที่เดิมหมดเลยถ้าไม่ถึงน้ําบ่อใหญ่จริงๆที่มันเป็นน้ําอมตะบางนั่นเถอะเพราะฉะนั้นไอ้ไอผลที่เราได้เจริญมามันก็ดีละเป็นผลที่เกิดได้ส่วนตัวนะเป็นอันนี้สองส่วนตัวที่ดีแต่ว่าไม่ใช่สารณะที่จะทําให้พ้นทุกจริงๆเพราะตัวที่จะทําพ้นทุกจริงๆคือคําสอนที่ชี้แนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะ มันก็ปริยัตจึงเป็นสารณะก็เคยตั้งคำถามว่าทาไมเนี่ยมรสีผลสีนิพพานหนึ่งปกติเราจะได้ยินปฏิบัติปริยัตปฏิบัต ป, ปฏิเวทใช่ไหมทำในนี้ทำไมไม่มีปฏิบัติอยู่เลยเพราะคนที่ปฏิบัตินะบางคนเนี่ยได้กินน้ำค้างนี่ก็อู้ชันนี่แหละสุดยอดแล้วใช่ไ ม, มเป็นที่ตั้งของอะไรมานะเอกเนี่ยก็ไปเที่ยวขมคนอื่นคนอื่นนะไม่เคยชิมน้ำค้างไม่เหมือนฉันเลยนะฉัน แต่น้ำค้างและรู้จักน้ำค้างคนหนึ่งก็สูงขึ้นมาอีกชั้นเนี่ยนะได้น้ำนิดนึงอะนะชุ่มคอแล้วนะก็ข่มคนอื่นอีกนะเสร็จแล้วก็กลับไปกระหายตามเดิมนั่นแหละโดยมากนะเพราะฉะนั้นต้องเอาคําสอนเป็นหลักชี้แนะไว้ฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ถ้าผู้ใดมีกุศลเหล่านี้นะทั้งกุศลทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนกับได้ดื่มน้ําแต่ละบ่อแต่ละบ่อนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่สันเลกาธรรม ในที่อื่นๆนี่ตำหนิเลยนะว่าโมฆะบุรุษด้วยเรียกโมฆะบุรุษเช่นได้ปฐมชานยาว่าศีลเลยเอาได้ชานที่หนึ่งแล้วเอาไว้เป็นที่ตั้งแห่งการข่มคนอื่นเป็นต้นนะพงศ์แต่เรื่องโมฆะบุรุษจนถึงเนวสัญญานาสัญญาญตนะเนี่ยนะเรียกตําหนิหมดเลยในส่วนเหล่านี้แต่พองศ์ก็บอกว่ามันดีดีแท้ในแง่ว่าเออเนี่ยพอกินอิ่มอย่างนี้นะมันก็มีกําลังเพื่อจะเดินต่อไปต่อไปใช่ไหมใช่เพราะอันนี้สงฆ์เขมีอย่างนั้นจึงไม่ใช่ให้ไปหยุดอยู่ตั้งตําเล่ทำมาหากินตรงนั้นเลย ห <c oughs> ากูโศลศีลเหล่านี้จึงเนี่ยนะให้อันนี้สงมาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าอย่างกล่าวเมื่อกี้นะอย่างวีโมกแปดเ อ, อ่ออภิพายตนาแปดนี่อยู่ธรรมะกลุ่มนี้ทั้งหมดกลุ่มสมาธิเนยนะเพราะปกติเนี่ยพวกนี้ถ้าเจริญก็เป็นคณิกะสมา อ, อพวกกุโซละศีลเป็นพื้นฐานให้ได้คณิกะสมาธิถ้าอย่างสมาธิที่อาจารย์เคยสอนว่าเมื่อกี้คือคณิกะสมาธิเท่านั้นนะไม่ใช่อุปจาระด้วย เป็นคณิกะสมาธิที่เหลือก็มาเจริญกรรมฐานเพื่อให้เป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจาระสมาธิต่อไป ก, ก็ว่าไปตามลําดับทีนี้ผู้ที่ได้อัปปนาสมาธิก็จะได้ฌานสี่นะ่นนะตั้งแต่อัปปนาสมาธิระดับฌานที่หนึ่งที่สองที่สามและอัปปนาสมาธิระดับฌานที่สี่หรือจะต่ออรูปฌานก็ว่าไปนะนะั่ะจะเข้าวิโมกแปดเนี่ยนะถ้าจะต่ออรูปฌานก็จะตามแนววิโมกแปดไปหรือจะมาต่อพิจารณาขันอาญตนะาธาตก็ว่าไปแต่ว่า กุศลธรรมเหล่านี้ถามว่าเจริญง่ายหรือยากก็ตั้งคาถามง่ายๆว่าวันหนึ่งเราสบายใจมากหรือโท ม, มนัตมากก็นี่วัดกุศลเนี่ยนะผลของศีลไม่มีศีลทาให้เดือดร้อนหรอกไอ้ที่เดือดร้อนไม่ใช่ผลของศีลให้รู้เถอะเออ คำว่าคำว่าศีลตัวนี้นะถ้าเอาตามวัตถุประสงค์มาจับนะศีลแบ่งออกเป็นสองศีลมาจากคําเดียวว่าศีนนนาลนะศี ล, นะลนะแบ่งออกเป็นสองคือสมาทานังกับอุปทารนังสมาทานังคือกายวาจาไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายเอางั้นนะถามว่ารักษากายวาจาอย่างไงไม่ต้องเสียหายเอา ถามว่าเสียหายไหมว่าตัวเองตำหนีตัวเองได้ผู้รู้พิจารณาและตำหนีได้รักษาอย่างไงอะ่ะไม่ให้ตัวเองตำหนีตัวเองได้ผู้อื่นและตำหนีได้อันนี้แหละเป็นสมาทานังสองทีนี้การรักษาเหล่านั้นเนี่ยเพื่อกุศลชั้นสูงชั้นสูงต่อต่อไปอ่นะส่วนที่เหลือแล้วค่อยมาว่ารายละเอียดนะว่าจะรักษาอย่างไงอ่นะแบ่งเป็นจารีตศีลเนี่ยนะแบ่งเป็น วารีศีลแบ่งเป็นจตุ ป, ปริสุทธิศีลก็ว่าไปนะก็ว่าประพอในชั้นรายละเอียดก็ว่าไปแต่ว่าองค์คุณหรือองค์ประโยชน์คือเนี่ยเจริญให้ได้สองตัวนี่จุดประสงค์เนี่ยผู้ที่บริหารเนี่ยสมาทานนางกับอุปทานรังดีอะ่ะจะได้อนานิสง์เหล่านี้อันนี้เป็นอานิสงตรงตรงเลยนะโดยอุปนิสัยปัจจัยไม่ใช่ในแงก่กรร ม, มปัจจัยส่วนปกติศีลจะสีเลนะสุขติยันติก็อีกที่หนึ่งอ่ะอีกในหนึ่งอ่ะ แต่นี้เราไม่ได้ประสงค์เอาแบบนั้นใช่ไหมไม่ได้ประสงค์แง่กรรมมาปัจจัยแต่ประสงค์ในแง่กุศลเพื่อกุศลชั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปก็หันมารักษาอันนี้อันนี้เรียกว่าในรายละเอียดนะนะแต่ผู้ที่จะบริหารได้เต็มะนะสำนวนว่าประพฤติให้สุจริตบริบูรณ์เนี่ยก็อยู่ที่ปัญญานั่นเองอะนะถ้ามีปัญญามากก็รักษาได้บริบูรณ์มากปัญญาน้อยก็รักษาบริบูรณ์น้อยเช่นไอ้คาว่าอุปสมาทานนังอ่ะนะ รักษากายวาจาอย่างไงไม่ให้กระจัดกระจายเอ า, เอานะทีนี้กายวาจาใจามันมาจากไหนมาจากอินทรียสังวรเดถามว่ารักษาอินทรียสังวรยังไงเอาท่นี้อินทรีย์สังวรจะดีก็ต้องปั จ, จัยปัจยาสารนิรสิตศีลเนี่ยปัจเเวกต้องมากเลยนะผู้ที่ปัจเเวกมากอาชีพก็ต้องดีเพราะฉะนั้นจริงๆแนละ้วธรรมะมันสัมพันธ์กันอย่างนี้ก็ถ้ามองในแง่จตุปริสุทธิศีลก็ได้ในมองในแงจ่จารีตกับวารีต พัน้ามองในแง่าจารีตกับวารีตนะรับอารมณ์หนึ่งอย่างขึ้นสมมตุนนมมมติว่าเห็นคุณชจ้อุ่มสมมตินะเห็นคุณชจ้อุ่มจะตารบจารีตหรือวารีตถ้าปรารบวารีตนะฉันจะต้องไม่ผิดศีลกับคุณชจ้าอุ่มนะในแง่ในแง่งไปล่วงละเมิดใช่ไหมถ้าเป็นจารีตจารีตคุณชจ้อุ่มเป็นผู้ใหญ่นะถ้าเป็นคารวะ ด, ด้วยการเราควรเคารพนะควรยกมือไหว้เป็นต้นอันนี้เป็นเป็นกุศลประเภทจารีตที่ที่ควรประพฤติ ท่นก็แบ่งนะหนึ่งต้องเว้นในแง่จาริวาริตเว้นในส่วนที่ไม่ดีออกไปในะขณะเดียวกันก็ต้องควรไปประพฤติในส่วนไหนที่เราควรประพฤติเนี่ยนะเป็นความเหมาะสมด้วยเช่นผู้ที่เคารพคนที่ควรกระนันนะอภิวาธนาศีเลสนิจังวุ ธ, ธาปจายโนนะคนที่รู้จักอภิวาตกราบไหว้พลที่วุฒะก็คือวุฒะคือคนที่เจริญกว่าด้วยเช่นวัยยวุฒคุณวุฒชาติวุฒอะไรก็ว่าไปอันนั้นก็เป็นจารีตที่เข้าไปประพฤติ แต่ถ้ามาน่ากระด้างเข้าตัวเองอ่ะไม่สบายใจก่อนมันน่าทำนะแต่ก็ไม่ทำเช่นควรหลีกทางให้ผู้ใหญ่เขาหน่อยเราไม่ดีอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ทำให้เราไม่สบายใจแบบนั้นนิดๆหน่นอยๆ น, น, นะเรื่องที่อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะยุ้มๆยิ้มๆเนี่ยผสมกันเข้าเดี๋ยวก็บานเลยเดือดร้อนแน่นะนั่งไม่เป็นสุกหรอกเนะี่ยนั่งไปแล้วก็เครียดทุกที นคนที่รักษาศีล น, นะคือคนยังไงคือสัพปะปัสสะการนังะนะถ้าจำโอวาดวันปาติโ อ, อ, อวาดปาติโมกได้ะนะคนศีลดีคือสัพ ป, ปาปัสสะการนังไม่ทําบาปกับอารมณ์ทั้งปวงอะ่ะเอานะรับอะไรก็ไม่ทําบาสักชนิดเลยะนั่นแหละคือคนศีลดีที่สุดถ้าทําไปแล้วรู้ตัวโดยมากอ่ะนะไม่ใช่อานิสง์ของศีลใช่ไหมถ้าทําไปบั๊บรู้ตัวนะชั้นแรกที่รู้โดยมากจะเสียใจก่อน วิปปิสารพอวิปฏิสารอีกโทสะไม่น่าเลยยางงั้นโทษตัวเองบ้างเดี๋ยวคนอื่นก็จะโทษเราบ้างนะเอาละทีนี้เขาบอกว่าวิธีแก้แก้อย่างไรถ้าเขาแบ่งเป็นว่าถ้าเป็นล่วงละเมิดตานอาติบาติเป็นต้นให้สมท า, านใหม่เลยเนี่ยนะถ้าเป็นทวารใจนะเขาบอกวิธีก็คืออธิษฐานอธิษฐานว่าเราจะไม่ทําแบบนี้อีกเช่นจะไม่คิดแบบนี้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็แบ่งเกณฑ์นะนะ ศีลทางกายวาจานะที่เป็นปาติโมก์ก็อบอกว่าแก้ด้วยอะไรสมาทานสมท า, านใหม่ถ้าเป็นพระภิกษุก็คือแสดงปลงอบัตนะนะที่เรียกว่าปงบัตซนะถ้าเป็นอินทรีสังวรแก้ด้วยอธิษฐานอธิษฐานว่าเราจะไม่ไม่ปล่อยให้อกุศลแบบนั้นเกิดขึ้นถ้าเป็น อันนี้เขาเรียกว่าเทศนาสุทธินะบาลีแลเทศนาสุทธิบริสุทธิ์ด้วยเทศนาอันนี้อธิฐานาสุทธิบริสุทธิ์ด้วยการอธิฐานหรือตั้งจิตว่าจะไม่ทําแบบนั้นอีกส่วนปัจจะยะ ส, สันนิสิตาสีนบริสุทธิ์นะธด้วยปัจจยะนะบริสุทธิ์ด้วยปัจจเวกขณะสุทธิถ้าหลงลืมก็เรีบปัจเปจเวกซะปัจจเวกขณะเรียพิจารณาเลย ถ้าเป็นปัจจอ า, อาชีวะนะอันนี้ก็ต้องใช้ความเพียรนะปริเยิทธิสุทธิอาศัยการสแสวงหาบริสุทธิ์ด้วยการสแสวงหาทำให้ถูกต้องอันนี้ก็คือถ้าจะชำระนะก็แก้ไปถ้าเป็นทวารใจหรืออินทรีสังวรนะนะไปเป็นอกุศลเกิดขึ้นอย่างกับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งก็อธิษฐานมาจากไม่ปล่อยให้ความคิดแบบนี้เกิดอีกนะนะรีบห้าม รีบห้ามจิตจากบาปอนะเพราะถ้าปล่อยให้กุศลลจิตเกิดช้าไปแล้วอะไรใจมันจะยินดีในบาปทั้งก็รีบห้ามจิตซะไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นอ่าด้วยการแสวงหาเช่นพระพิสูจน์เนี่ยนะก็ด้วยบินทบาทเป็นต้นคือไม่ไม่ใช่ไปทํำทุศีล น, นะะถ้าเป็นค า, ารวะอ่ะถ้าจะทํำยังไงอ่ะอยู่ๆแล้วเข้ามาเต็มหม้อเองเลยไม่ใช่หม้อทิพย์ใช่ไหม เวลาเสียบปลักเป็นหม้อทิพย์แต่ว่าก่อนที่จะได้เข้าสารมาใส่หมอ้อทำยังไงอันนี้สำเร็จด้วยการสแสวงหาแต่สแสวงหาก็ต้องสแสวงหาด้วยไม่ให้ขัดกับปาฏิโมกข์อันนไม่ให้ไม่ให้ไ ม, ใหไม่ใช่สแสวงหาด้วยความชั่วทางกายไม่ใช่สแสวงหาด้วยความชั่วทางวาจาและก็ไม่ใช่สแสวงหาด้วยการคิดชั่วทางใจอันนั้นในแง่นี้ขอผ่านนะ